วันนี้เป็นวันที่3 7ธันวาคม2 5 2 7ตรงกับวันจันทร์เคลื่อนจี่คาเดือนยีวันนี้มาประชุมกันในสถานที่นี้เวลานี้กอบ่าย2หมงกับ 4:14 นาที มาพร้อมๆกันแล้วประทุมกันก็จะพูดอะไรให้ฟังมีคนบางคนต้องการอยากฟัง่อยากให้พูดเรื่องสัจธรรมสัจธรรมนี่ก็หมายถึงของจริงสัจจะแล้วของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรหัน น, นี่ว่าสัจจะไม่ใช่สัจจะอย่างที่เราเคยพูดว่า เราไปรับสินไม่ได้รับสินล้วมันไม่เป็นสัจจะพิรุษสัจอันนั้นมันเป็นสัจจะของผลทั่วไปนะเรียวว่าเด็กๆ เ, เ, เขาก็รู้เนี่ยว่าตานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าจัตจะเป็นบาปแจ้าเขาก็ยังฆ่าแจ้าเขาก็ฆ่านะไม่ใช่ว่าจะเด็กนะผู้ใหญ่ก็รู้แต่ไปยังทำได้เนอธินาไม่ให้รับของคนอื่นก็เป็นสัจจะเช่นเดียวกัน อันนี้สัจจะที่มันมีอยู่กับโลกเรียกว่าสัจจะสมมุติแต่ยังไม่ใด้เป็นสัจจะประมาภะให้เข้าใจอย่างนั้นกามเมมุสาสูลาเหล่าเนี้แต่พูดกันได้ก็ยังทำกันอันนี้คือว่าสัจจะโดยสมมติบันนี้สัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาสอนนั่นเองว่าก็เลยเข้ามาพูดเรื่องความเป็นปัจจุบัน พวกท่านทั้งหลายกับพระบรเจ้าอาจจะไม่เหมือนกันแต่พระองค์นั่นท่านว่าอย่างนี้ว่าสัา ต, ต, ตดดสว์ทั้งหลายเป็นตถาคตไม่ใช่สัตว์ในรัามพูดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเหมือนเราทุกคนเนี่หสัตว์มนุษย์ถ้าทำให้ถูกจังหวะหรือทำเหมือนท่านก็ต้องรู้เหมือนท่าน ท่านว่าเพราะสภาพสภาวะตั้งเดิมของคนทุกคนนั้นเหมือนกันกับท่านไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเราไปอุปถัมภ์บำลุงท่านและท่านจะอนุญาตหรือท่านจะไปนิยมหรือปรากฏให้หรือแจกแบงให้ให้เอาให้คนละนิดละหน่อยคคนนั้นปฏิบัติมากจะให้รู้มากคนนี้ปฏิบัติน้อยจะให้รู้น้อยหรือจะเห็นยาของตัวเองน้อยมาก แต่จะเข้าใจอย่างนั้นเราไปเสื้อความคำนี้อยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทําลงไปแล้วนั้นเราไปเสื้อบทนห้แต่ความจริงเนี่นความคำนี้มันอาจจะตีความหมายเป็นลึกคำว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญ ที่ฆ่าพระเจ้าได้กระทำลงไปแล้วนะเราไม่ใช่จะมีส่วนแห่งบุญในรับจากพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วจะให้มีส่วนได้รับบุญจากท่านแล้วะไปทาบุญกับท่านไปไหว้ท่านไปบูชาท่านนั้นอาตมายัางไม่เห็นดูให้นแต่ว่ากระทำมาแล้วตั้งแต่ก่อนก็ทํามาที่นั้นเมื่อมาเข้าใจคําพูดคํานี้ออกจงมีส่วนแห่งบุญที่ฆ่าพระเจ้า และกระทําลงไปแล้วนั้นในวัดนี้จงมีส่วนแห่งบุญคือเราต้องกระทําอย่างท่านกับพึกอย่างท่านปฏิบัติอย่างท่านอยู่อย่างท่านจะมีส่วนรู้เหมือนกันกับท่านอันนี้ความหมายที่ที่เราพูดเอาเองอันนี้แล้วเราพูดอย่างนั้นคือว่าถ้าไม่ทําอย่างท่านจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะรู้ได้เพราะว่าท่านได้พูดไว้แล้วว่าสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมนั้น เหมือนกันกับท่านวันนี้พระองค์ว่าสักทั้งหลายเหมือนกับเราแตถานโคตท่านท่านกัดบอกว่าเหมือนกันถ้าหากทำเหมือนท่านก็ได้รับประโยชน์จากท่านเรามาปฏิบัติธรรมะมาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อให้รู้จักรูปนามนี่ <c oughs> พูดใกลๆนะแบบนี้เมื่อเรารู้จักรูปนามคนอื่นก็มีรูปนามเช่นเดียวกันทําไมจึงไม่รู้ เราเพราะไม่ทําเหมือนท่านมันก็ไม่รู้เหม ie, ือนท่านเมื่อเราทําเหมือนท่านจะเลินสติมันก็รู้เหมือนกับท่านมันก็มีรูปมีนามเช่นเดียวกันบัดนี้คนอื่นก็มีรูปนามนเห็นรูปเห็นนามรูปทำนามทำบัดนี้าพระเจ้าก็มีรูปทำนามทแล้วก็มีรูปทำนามทำพระเจ้าก็มีเกิดรัชกระาลเป็นโูคโลกนามโลกเจ็บหัวปดท้องเป็นโลกใช่ไหมแต่ถ้าก็เป็นโรคก็ตายเหมือนกันบัดนี้ บัณณีงามตั้งแต่ก่อนก่อนโน้นก็มีชอบมีปรลียดมีรักมีพอใจมีไม่พอใจท่านก็มีแต่ก่อนแต่เมื่อยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหมือนกันแบบนี้จังหวะสภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันเมื่อเราทําเหมือนกับท่านก็จะรู้เหมือนกับท่านอันนี้ท่านจะพูดเป็นไปก็ยาวนะะบัณฑิตเมื่อรู้จักโูกโล ก, โลกนามโลกแล้วก็รู้จั ก, จกสภาพหรือภาวะ ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเราก็มีเหมือนกันกับท่านอาจจะมาเคยพูดบ่อยๆแต่ไม่ได้พูดเออกันาันนี้เพราะว่าวันนี้มีคนช่องการอยากให้พูดโดยสัจธรรมมันก็เลยเอาเรื่องสัจธรรมจริงมาพูดดูกันปักนี่แหละที่เราไม่เข้าใจเลยเมื่อท่านรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาท่านมองเห็นสภาพุภาวะมันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เลยรู้สมมติ แล้วเอาสมมติมาพูดขึ้นถ้าไม่พูดสมมุติแล้วมันไม่มีประตูใ ด, ดที่จะมาพูดได้ก็เรายืมเอาสมมติของโลกมาพูดสมมุติบัญญัติปรมัตตบัญญัติอัฏฐบัญญัติอธิยะบัญญัติสมมุติบัญญัติทัานคนทั่วไปเขารู้ว่าปานาห้าไม่ให้ฆ่าสักอาตินนาไม่ลักของคนอื่นรา ม, ม, มีไม่พูดผิดในกาโมสาสุราไปอย่างนั้นนะสิห้า วันนี้จริงแต่ของวิคารโภอุจา ร, รากรุปอาจารที่เราเคยพูดกันอันนั้นเป็นสัจจะโดยที่ว่าคนทั่วไปเรา่างขึ้นมาด้วยว่าโดยสมมุติสมมุติสัจจะประมาตเดวว่าจริงโดยสมมุติวันนี้อัตชากันเนี้ ย, เ, น เ, นยเมื่อพระองค์มาเห็นสภาพรูปภาวะจิตใจของพระองค์เจ อ, อทําอย่างนี้อ่เราชอบใจเมื่อเราทําอย่างนี้กับคนอื่นคนอื่นก็ชอบใจเนี่ย คนอื่นก็มีชอบใจเหมือนกันทนเราเราก็มีการชอบใจเหมือนกับ ค, คนตอนนี้นเขาเรียกว่าคนยังไม่รู้มันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าปุถุชนียังไม่มีญาณเกิดขึ้นก็เป็นปอย่างนั้นก็มองเห็นพระองค์ต้องเห็นของพรจะองค์แล้วจึงจะไปมองเห็นคนอื่นได้ทําอย่างเนี้เราเปลียนคนอื่นทำก็เปลี่ยนเมืเราทํากับคนอื่นคนอื่นก็เปลียนคนอื่นทําน่งเราก็เปลียดโอ้สับผาส รักอาวะดั่งเดิมมันเป็นอย่างดีเนี่ยเรียกว่าพระองค์รู้จิตใจและวาลจิตใจของคนอื่นแตะพระองค์ต้องมองเห็นจิตใจของพระองค์เออนี่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกันกังเราไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากๆหรือไม่ได้เรียนมากๆ ก, ก, กว่าตัดสภาพภาวะอันนี้มันมีในคนจะเป็นคนไทยคนจีน ให้ว่าทุกชาติทุกภาษาแม้เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอาจจะมาพ่อเลพูดเอาซันซันหลัดบริษัทตีคือผู้หญิงผู้ชายทิกสูตริกเหนือบริษับริษัทสองคนเป็นสองบริษัทนี้เองเพราะผู้หญิงก็มีอย่างเหล่านี้ผู้ชายก็มีอย่างเหล่านี่มีพอใจไม่พอใจชอบเปลี่ยนกนัจเน่มันเป็นอย่างนี้จริงวะนี่แต่ว่าสัจจะคือของจริงอันนี้ก็โดยอัตถินี่ว่า อริยบปัญญาคือจะรู้อันนี้ก่อนต้องเป็นอริยบบุคคลทำให้จิตใจล่วงจากภาวะอันนั้นขึ้นมามก็เลยรู้รู้เข้าใจบันนี้ก็รู้จักตัวศาสนาศาสนาหมายถึงคําสั่งสอนของท่านผู้รู้คนผู้รู้ทมจริงๆมาสอนคนผู้ที่ไม่รู้มาสอนบันนี้ผิดกันอาจจะมาก็เลยโูษ ให้ฟังเอาะพุทธศาสนาคำสอนของพระตถาคตเนี่ยจากเสื่อมสู์หรืออันตรธานหายไปดั้งก้อต้องมีสี่คนแต่สองคนนั่นแหละมีสี่คำพูดคือว่า 1. นึบุคคลที่ไม่รู้แต่เที่ยวเทศเที่ยวสอนเนี่ยไม่รู้ก็สอนได้พราะไปจำเอาจากตำหนับตำนามาพูดอันนี้เมื่อผิดถูกไม่รู้ แสดงว่าคนเนี่ยอาจจะทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้จะไปสอนเพราะเป็นการหัตชิกอันนี้บริษัทหนึ่งนะเนี่ยบริษัทที่สองไม่รู้แต่ไม่สอนเฉยบริษัทนี้ก็ไม่ทํำลายแต่ไม่ทําให้เจริญเ ล, ลเ่บริษัทนี้ี่ยกินข้าแต่อย่างที่เราเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยพระสงฆ์ของเจ้าเนี่ย วันนี้ก็ต้องอูดเข้าเนื้อตัวเองบ้างใช่ไหวันนี้บริษัทที่สามรู้รู้ดีแล้วเนี่ยแต่ไม่สอนเอาตัวหลบหลีกไปลี้อยู่ที่นั่นที่นี่เข้าป่าเข้าลงภาคกรรมฐ า, านที่นี่ก็มีนะผมเห็นดูไม่อยากสอนบริษัทนี้ก็ไม่ทําให้พุทธศาสนาจเจริญแต่ไม่ทําให้เสื่อมไม่สอนคนแต่เฉพาะเจริญแต่ลำก็เดียวบริษัทที่คนอย่างดีอยู่ที่เดียวแต่ไม่ถึงทําลาย แป้ากุลสัตนี่นยังไม่แน่นอนบริษัทคนที่สี่คือว่ารู้แล้วต้องเทศต้องสอนเมื่อไม่เมื่อไม่นน เ, มมเทศไม่สอนคนก็ไม่รู้บริษัทนี้ดีทําให้พุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าได้อย่าบริษัทสองคนเท่านั้นเองคือเมื่อจะเป็นบุคคลสี่คู่แปดบุรษุษเนี่ยเราเราเข้าใจเขาอย่างนี้ดังนั้นว่าคําสอนของพระพุทธเนะจ้าเนี่ยจําเป็นต้องมันมีอยู่อย่างนี้ด้วยสัจจะ สัจับแล้วของจริงถึงจะรู้ไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรตัวของท่านเองท่านปฏิบัติตัวของท่านเองท่านก็เลยรู้เมื่อท่านรู้แล้วเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเราแบบนี้เราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นไปถึงแล้วแห่งนั้นหนึ่งเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นไนมะ่เข้าใจเรากับมืดบอดมกวลอยู่เช่นเดียวกัน เมื่อเราตะถาพไปถึงมาแล้วแห่งนั้นก็นำมาสอนพวกเธอพระพุทธเจ้าจะมาสักทั้งหลายเหมือนเราตะถาพดังนั้นพวกเรามาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาที่นี่ที่หลวงพ่อพูดกันว่าอยากให้ตั้งใจทำลองดูาศาสนาคือคนทุกคนนั่นแหละพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่มีอยู่ในคนทุกคนไม่มียกเว้น อาจจะมาเคยท้าทายว่าอย่างนี้แต่ไม่ได้อาจจะมาเป็นผู้รู้นะเป็นสักป ร, ริจ้าเนีลยอาจจะมาเข้าใจทราบซึ้งตึงใจว่าพุทธศาสนาหมายถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้สภาพรูปภาวะอันนี้เนีวยว่ยไมดเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็นำมาสอนคนวันนี้บริษัทที่จะทําให้พุทธศาสนาจเจริญเคือรู้แล้ว ต้องไปเทศไปสอนจึงเป็นพระพระจึงแปลวผู้สอนคนคนทําผิดต้องสอนเขาอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ใช่ว่าจะไปสอนเขาว่าเออผิดกันแล้วไปถูกก็แล้วไปกูได้เงินแล้วเอาไม่ใช่อย่างนั้นหรือกูได้กินอาหารดีๆแล้วแลกอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเขาทําผิดก็ต้องบอกว่ามันผิดเขาทําถูกก็บอกเออนี้ถูกแล้วก็ต้องบอกอย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้ จะเิญ น, น้อยไม่จะเลิญมากเพราะคนรู้ไม่ไปอยสอนหรือบางทีอาจจะเป็นคนไม่รู้ไปสอนก็เลยไม่ได้เข้าใจสัจธรรมนี้แป็นว่าของจริงสัจจะแป็นว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นถึงจะมีผู้รู้ก็ตามไม่มีผู้รู้ก็กตามถ้าหากมีคนอยู่แล้วนี่คนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็มีอย่างนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคนจีนก็เป็นอย่างนั้น คนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมงคนยวนคนลาวคนเยอรมันหรือเราไปดูคนอินเดียนะคนแขกนะก็ เ, เหมือนกันนึกยังว่าถ้าองค์จวัต่สภาพรัฐภาวะดั้งเดิมเหมือนกันไม่ผิดกันผิดกันเฉพาสูงต่ำดำขาวและปัญญาน้อยมากไม่เหมือนกันเรียนรู้มากเรียนรู้นไม่เหมือนกันมีเงินมีของไม่เหมือนกัน อันนั้นเหมือนกันปัญญากช่ไหมแต่สภาพลัทาวัตอันเนี้มีเหมือนกั น, ก น, น, น, กนทุกคนนะให้เข้าใจาัเรียกว่าสัจธรรมแปลว่ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่มีการยกเว้นแต่ว่าสําคัญบุคคล น, นั่นจะทําให้รู้หรือไม่ทําให้รู้ทันเองหรือบุคคล น, นั่นจะทําให้ปรากฏขึ้นมาหรือไม่ทําให้ปรากฏขึ้นมาเมื่อจเจริญให้ได้สัดส่วนแล้วยานเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ท่านว่าธรรมชาติมันสร้างให้เองท่าธรรมชาติามันสร้างให้เองเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดีด๋ยวนี้เนี่ยสบายไหยก็สบายเลยที่ธรรมชาติมันสร้างให้เองเพราะเรานั่งให้มันสบา ย, ายมันต้องสบายอย่างนี้บัดนี้เราไปนั่งอยู่ที่คุกขีบ่นี่ย ส, ยสบายาามันก็ธรรมชาติสร้างให้อย่างคุกขีนั่นเองดังนั้งงนพระพุทธเจ้ายจึงสอนให้เรารู้สภาวะ รือสภาพของจิตใจของเราทุกคนเมื่อเรารู้สภาพหรือสภาวะจิตใจของเราแล้วสภาพหรือสภาวะจิตใจของคนอื่นก็เหมือนกันกับเราท่านจะว่าสภาพสภาวะตั้งเดิมเหมือนกันหมดทุกคนท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงสอนว่าสัตวทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตแต่เราตถาคตตอนที่พระองค์ว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วประมาสอนพวกเรา แต่ต้องทำอย่างนั้นจึงจะรู้ท่านนะท่านจังหวัดสอนที่ทําผิดก็บอกว่าผิดที่ท่านมายกย่องเอาเรื่องการเจริญสศรษฐีเพราะทำอย่างอื่นท่านทํามาแล้วอดข้าวหดน้ําท่านก็ทํามาแล้วอืไม่กินข้าวไม่พูดไม่คุยไม่กิดน้ําท่านก็ทํามาแล้วท่านบอกว่านั้นมันมันมันไม่ใช่ถูกต้องท่านบอกว่าใช่ไหมแต่เราก็ยังนํามาสอนกับว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าการให้ทานรักษาเจนั้น มันดีแล้วอันนั้นก็ทําไปเถอะแต่ว่ามันไม่ใช่ทางดับทุกมันไม่ใช่ทางแก่ทุกข์แต่พระองค์ว่าทํำยานั้นก็ดีอยู่แล้วเพราะยังเป็นการเสียสลักให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์แต่ตอนที่พระองค์ยกย่องว่าทําให้พระองค์ได้พ้นจากอาสวะและรู้จักวิธีกับอาสวะนั่นคือว่าพระองค์ได้มาเจริญสติกําหนดาการเคลื่อนไหวของเรืยบุตรของท่านเอง ท่านปฏิบัติตัวท่านเองและก็มาดูสภาพรูปภาวะของจิตใจของท่านเองท่านก็ดูจิตใจของท่านเองท่านไม่ได้มองเห็นถึงว่าคนนั้นคนนี้เมื่อท่านดูสภาพอย่างนี้มันก็เลยไปถึงที่สุดแทงทุกเป็นวิธีที่ทาาําอาสวะไอริง่งท่านก็เลออย่างนี้ทุกคนมันมีเหมือนกันกับเราถึงนันว่าเนี้ยเราไปถึงแล้ววะเนี่ยแล้วทุกคนทำอย่างเราต้องรู้อย่างเรา ไม่ทําอย่างเราจะไม่รู้อย่างเรารู้จาก อ, อ, อ, อื่นไปไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้เรารู้จากอื่นไปไม่ได้มันต้องรู้อย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้อันนี้พระองค์ตัดไว้คี่ความจริงนี่เรียกว่าสัจจะคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ย <Pie> นแปลงไม่แปลี่ทันจะมีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้ไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนี้เราเดี๋ยวนี้มีเนี้ยเดี๋ยวนี้แต่ยานั้นยังไม่ปรากฏเมื่อยานยังไม่ปรากฏเราก็เลยไม่มี ดังนั้นเมื่อเราจเจริญไปถูกสัดส่วนแล้วมันจะปรากฏตัวมันขึ้นมาเองเมื่อมันปรากฏตัวมันขึ้นมาเองแล้วไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเราก็รู้เอาอันนี้ของจริงมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเลยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเด็กก็มีคนแก่ก็มีคนหนุ่มคนสาวมีมดทุกคนแต่ว่าคนเหล่านั้นจะทำหรือไม่ทำคนจีนก็เป็นมีเหมือนกัน คนไทยก็เป็นมีเหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันทุกชาติทุกภาษ า, ามีเหมือนกันไม่ใช่มีแต่คนอินเดียคนเดียวอันนี้มันเป็นของจริงอย่างนั้นเพราะพระองค์เปรู้แล้วที่ว่ายอมเสียสละทุกอย่างขอให้ความจริงเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นมาในจิตใจของคนทุกคนในวาระใดวาระหนึ่งอันนี้แปลว่าพูดกันด้วยความจริงใจ ถ้าไม่พูดมันก็เลยไม่เข้าใจกันดังนั้นการพูดวันนี้ไม่ได้ออกเป็นคนอวดดีแต่ยืมเอาคําดีของพระพุทธเจ้ามาพูดสู่กันฟังถ้าเราไปยืมเอาคําพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆเรากล้ารับรองได้พระองค์งต้องสอนจริงจะกลัรู้จริงๆอีะด้วยนะจะเป็นตอนเช้าเลือกบางวันด้วยเย็นไม่กําหนดาออาการโดยอลักการกโกไม่ประกอบสารและเวลา จะเป็นระยะใดเวลาใดก็ได้แต่ว่าให้เราจเจริญจริงจริงทำให้ได้สัดส่วนมันจริงๆเมื่อจเจริญจริงจริงได้สัดส่วนมันจริ ง, จ ร, งจริงแล้วนั่นแหละจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเราเพราะผ ล, ละไม้อาภรณผ ล, ลไม่ทีปลูกลงในดินเนี่ยเมื่อได้ความอบคุณซุ้มเย็นมันพอดีแล้วมันจะแตกดอกเกิดแตกเน็่แตกนอกขึ้นมาเอาไม่เข้าที่ไปปลูกลงในดิน มันแตกขึ้นมาเองถึงเวลามันมันแตกขึ้นมาเองเม็ดเข้าจากก็แตกออกมาตองนอกคือกันเม็ดเข้านี้ก็เอานอกคือกัเอนเม็ดเข้าอันะไรก็ออกนอกหมดทุกเม็ดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่จะเลยจริงๆแล้วไม่ลู้อันนี้เป็นของจริงเที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ดังนั้นเราเป็นสาวพุทธญาเข้าใจว่าเราทําบุญให้ทานรักษาจิตแล้วจะได้รับ มูลนกตกทอดมาที่พระพุทธเจ้าจัดสรู้ไปแล้วนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำลงไปแล้วในบัดนี้อันนั้นเป็นคำพูดแต่ความจริงว่าจงมีส่วนการเจริญสติวิธีใด วิธีหนึ่งทพระองค์สอนเอาไว้เป็นคำรับรองของพระองถ้าเราทําแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเหมือนตั้งกับพระพุทธเจ้าเสมอสั้ว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าในน้อยตรีวาสาวรพุทธะเราเคยพูดกันว่าสาวรพุทธะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไปพระพุทธเจ้าทําอันนี้จะรู้ล่วงหน้าไม่ได้เมื่อมันปรากฏขึ้นมาก็ต้องรู้เองเห็นเองเองข้าใจเอง จะรู้คิดทราไม่ได้เราเรียนหนังสือตํารามากๆเี่ยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นก า, น า, คารคิดเอาพระองค์ตัดไปแล้วอ่ะเรื่องตามาสุเนี่ยอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามๆกันมาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลยอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำหรักตาราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเลย ถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เชื่อเราแบบ น, นี้เราไปแปลหนังสือคาดคิดเอาโดนเอาวาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่หน้าที่ตรงนั้นบรรทัดเอาจำได้นึงว่าเราทุกคนวันนี้ก็ต้องพูดกันเรื่องปาสนาทาตัวของเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าหากเรารู้จริจรงๆเราสอนได้พระก็ไปเอาคู้สอนจึงว่าสงสาวัของพระวีรากเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกแล้วน่ สามีปีิปจิปโนโภะวโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระวีพักเจ้านันบุรีปฏิบัติสมควรแล้วถ้าสมควรแล้วเต้ตองไม่หลงดังนั้นที่อาจาร์นำมาพูดให้ฟัง น, นี่ในตำราหนังสือธรรมวิจารบอกว่าผู้ใดเจริญปฏิปฐานสี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอณิสงส์สองประการทันวันหนึ่นนงเป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันพวกนี้หากไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ในปัจจุบันทัศนี้ท่านว่าเป็นพระอนาหารนี้ตัวหนังสือว่าอย่างนั้นแต่ที่นี้อาตจจมารับรองคําพูดของพระพิจ้าท่านตัดไว้บทนี้ว่า ผู้ที่จเจริญสติปัญสีให้ถูกต้องคําว่าเอาอันถูกต้องได้ไม่ถูกต้องไม่เอาอ่ะเอาอันถูกต้องไม่ใช่เอาชอบใจเอาอันถูกต้องถูกต้องที่พระองค์ทำนั่นเองอาตมาพูดเนี่ยท่านจับไปเจ็ดปีเพราะว่าคนเกลียดทานไม่ขยันเหมือนตัวพระองค์ทำแต่บัดนี้อาตมายืนยันรับรองว่อาอ้ให้จเจริญสติปัญสีแปรเคลื่อนไวหวจะเอารับรองได้สามปี สามปีอา น, นิสงฆ์ไม่ต้องพูดเลยอย่างนันสามปีอ่างกางให้เวลาหนึ่งปีและยังทัดที่สุดหรือกระทัดรัดที่สุดให้เวลาสามเดือนหรือกเก้าสิบวันทําให้ติดต่อไปจริงๆไปไหนมาไหนให้รู้สึกจริงๆเอาไม่ต้องมาสัจาจรู้เป็นพระอรหันต์หรอกนี่แก่ทุกข์มาจากทุกน้อยไปจริงๆริงจรงว่ารู้จักอาสวะขยัน ร, รู้จกักวิธีทําให้ทุกน้อยหรือหมดไปได้ อันนี้เป็นความจริงที่วัดัจจะทําเอาเล็วันนี้ที่อาตมาได้นําธรรมคําสอนขององค์สมเดชาสมาสมุทรเจ้ามาเล่าเรื่องสัจจะทําให้ฟังเพียงสั้นๆหรื อ, อย่อๆก็เห็นว่าขอสมควรเกริดเวลาแล้วอาตมาพร่อมด้วยประสงค์และอยติโยมมานั่งฟังธรรมะยุนสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงขอบคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สุเด็จชาสมาสมุทรเจ้า แล้คุณพระนันตาสาวกพระสมมาสมเด็จเจ้ามาเตือนจิตสักคิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องทําเหมือนกับพระองค์นั่นเองให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจังหวะสัตย์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้น้อยตามไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนให้เราไปพบไปเห็น เอาช่วระยะเวลาันใกล้คือในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอเรนครเียนหดอว่ายู่านที่ที่ไหนรเพราะพระองไปทนาเ่จะเรอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องการจเจริญ ส, ต, สติไม่เป็นปัญหา จะไปหาสถานที่ที่ไหนอยกรุงเทพเนี่ยมันจะสมุกได้ที่ไหนมันก็ในเมืองเนี่ยอย่างที่เราเนี่างที่วัฒนธรรมไหนเนี่ยเข้ามาแล้วมันสบายอันนี้ธรรมชาติมันสอนให้อันเนี่ยแต่เราจะมาทํางานที่นี่มันไม่ได้เพราะมันไม่มีงานนะ mm hmm. แล้วก็มาคนมาฝึกหัดเท่านั้นเองจะไปฝึกหัดที่ไหนเขาได้แต่ขอให้ว่าบุคคลที่จะสอนนะ่ยเขาจริงไหมเท่านั้นเองถ้าบุคคลที่สอนจริงอยู่ที่ไหนก็จริงได้ขนาด มันไม่สำคัญกับสถานที่สำคัญคนที่แน่แนวแต่ว่าคนที่แน่แนวก็ไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเราอีกแล้วสำคัญเราจะเอาจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเอง